พนพท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจขุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเจงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเป็นการสร้างบ้านใหม่ที่เราจะต้องย้ายออกจากบ้านเก่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้คือบ้านเก่าที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้มันก็เริ่มเสื่อมสภาพไป ตามการตามเวลาแล้วไหนที่สุดมันก็จะต้องผุต้องพังไปพอเราไม่มีบ้านเก่าอยู่เราก็ต้องไปอยู่บ้านใหม่ถ้าเราไม่ได้ซื้อบ้านใหม่เตรียมไว้ก่อนไม่ได้สร้างบ้านใหม่เตรียมไว้ก่อนเวลาบ้านเก่าพังไปเราก็จะไปแบบคนละเหยื่อเลื่อน ไปแบบขอทานเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อบ้านใหม่เตรียมไว้ก่อนพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้ความฉลาดที่รู้ว่าพวกเหล่านั้นไม่ได้เป็นบ้านคือไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายอันนี้ เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยที่เราอาศัยอยู่ใช้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆให้กับเราแต่ร่างกายของเรานี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเมื่อร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาบ้านใหม่ถ้าเราไม่ได้เตรียมซื้อ บ้านใหม่เตรียมสร้างบ้านใหม่เวลาเราไปเราก็จะไปแบบขอทานพวกที่ไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝังเทศฟังธรรมนี่เวลาตายไปจะไปเป็นขอทานเช่นขอทานทางโลกจิตวิญญาณในโลกทิพย ขอทานในโลกทิพย์ก็คือพวกเบรตหรือถ้ามีบาป ก, กรรมทำบาป ก, กรรมมันหนักไว้ก็ต้องไปอยู่บ้านในคุกในตารางของโลกทิพย์ไม่ได้อยู่บ้านของเทพของพรหมพระพุทธเจ้าจึงคอยสั่งคอยสอนพวกเราให้มันทำบุญทำทานให้มันรักษาศีล ให้หมั่นภาวนาให้หมั่นฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันเพราะจะเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีบ้านให่ที่ดีกว่าบ้านเก่าที่เราอยู่ในตอนนี้ถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้บ้านระดับของเทวดา บ้านระดับเทวดานี้ก็เหมือนโรงแรมระดับสองสามดาวนะแล้วถ้าเราอยากจะอยู่โรงแรมระดับห้าดาวเราก็ต้องภาวนานอกจากทาบุญให้ทานรักษาศีลแล้วเราต้องเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต่อไปเราถึงจะได้บ้านของระดับพรหมโลก ระดับพรหมโลกนี้ก็มีอยู่สองระดับที่ไม่ถาวรและระดับที่ถาวรระดับที่ถาวรเราก็เรียกว่าบ้านของพระอริยเจ้าบ้านของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาาระอรหันนี่คือบ้านต่างๆของพวกเราก็เหมือนกับเวลาที่เรา จะไปซื้อบ้านใหม่ก็มีบ้านหลากหลายแบบมีหลายราคาด้วยกันบ้านเดียวก็มีบ้านบ้านเป็นคอนโดก็มีคอนโดระดับถูกก็มีระดับแพงก็มีบ้านระดับธรรมดาก็มีบ้านระดับข้อหาสก็มีเราสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการของพวกเรา ทันใดถ้าพวกเราอยากจะได้บ้านที่ดีมากๆเราก็ต้องทำบุญกันมากๆทำบุญทำทานกันรักษาศีลกันภาวนากันจเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาทำใจให้ฉลาดเพื่อที่เราจะได้ไปแบบไม่ต้องกลับมา ถ้าใจเรายังไม่ฉลาดใจเราหลงอยู่กับความสุขของเทวดาก็ดีของมนุษย์ก็ดีของพรหมก็ดีเรายังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่ถ้าเราฉลาดเรารู้ว่าการกลับมาเกิดไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ก็ดีภพของเทพก็ดีภพของพรหมก็ดี ยังเป็นภพที่มีความเสื่อมได้มีวันหมดได้ถ้าเราอยากจะไปอยู่ที่ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดสวรรค์ชั้นสูงสุดคือสวรรค์ชั้นนิพพานเราก็ต้องสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงติดอยู่กับความสุขของมนุษย์ของเทวดาและของพระความสุขของมนุษย์ก็คือ การได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีลาบยศสรรเสริญอันนี้เป็นความสุขของมนุษย์ถ้าเรายังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูมกลิ้นกายเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆถ้าเราติดอยู่ กับความสุขของเทวดาก็คือผลที่เกิดจากการทำบุญทำทานรักษาศีลอยู่ให้บริสุทธิ์เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดากันแต่ภพของเทวดาก็เป็นภพชั่วคราวเหมือนกับภพบของมนุษย์พอบุญที่เราทำมันหมดกำลังไป มันก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ต้องมาทำบุญทำทานมารักษาศีลใหม่ถึงจะกลับขึ้นไปเป็นเทวดาได้หรือถ้าเราสามารถภาวนาได้คือสมถภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานได้ เราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนะถ้าได้รูปประชานก็ได้อยู่บนสวรรค์ของรูปปรพรมถ้าได้อารูปประชานก็จะได้สวรรค์ของอารูปปรพรม <c oughs> ที่มีความสุขสูงขึ้นไปอารูร ป, ประปพรมนี่ก็เป็นเหมือนโรงแรมระดับสี่ดาวอารูปปพรมนี่ก็เป็นเหมือนโรงแรมระดับหดาดาวนะ มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วถ้าอยากจะให้ความสุขระดับโรงแรมห้าดาวนี้ไม่เสือ่อมเราก็ต้องสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงติดอยู่กับความสุขของสวรรค์ชั้นต่างๆให้เราปล่อยวางละความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ละความอยากที่อยากที่จะหาความสุขจากความสงบที่เกิดจากการทำใจให้สงบถ้าเราละความอยากต่างๆได้เราก็จะได้สวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ที่สูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันไปถึง เพราะว่าถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมระดับโรงแรมห้าดาวพอเงินจ่ายค่าโรงแรมหมดก็ต้องยึเลื่อนลงมาอยู่สวรรค์ชั้นเทพก็เหมือนเปลี่ยนโรงแรมจากระดับหดาวสี่ดาวก็มาอยู่ระดับสองดาวสดาวพอเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมหมด ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาหาเงินใหม่มาทำบุญใหม่แล้วถ้าประมาไปทำบาปทำกรรมไม่ทำบุญตายไปแทนที่จะได้กลับไปเป็นเทพเป็นพรมก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรยไปเป็นนสุ ร, รกายและไปเป็นไปตกนรก การทำบาปนี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่ามีโทษก็จะไปเป็นเดรัจฉานพวกเดรัจฉานนี้เขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาด้วยการกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยปากเขาเขาไม่รู้ว่าการฆ่าผู้อื่นเป็นอาหารนี้เป็นบาปเขาเลยต้องเป็นเดรัจฉานมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไปทำบาปเพื่อยังชีพเช่นมีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าปลาฆ่าปูฆ่าหอยอาชีพเหล่านี้ถ้าทำไปแล้วก็เป็นเหมือนกับเดรัจฉานไม่รู้ว่าบาปคนที่ทำอาชีพเหล่านี้เขาคิดว่าไม่บาปคือไม่มีผลตามมา เขาคิดว่าตายไปแล้วเขาก็ศูนไม่ได้ไปเกิดใหม่เพราะว่าร่างกายของเขานี้เมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าไปเขาก็เลยไม่เชื่อเรื่องผลของบาปเขาก็เลยทาบาปได้อย่างสบายใจเพราะเขาคิดว่าต้องเลี้ยงชีพถ้าไม่ทาบาปก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะต้องอดตาย ก็เลยทำบาปไปโดยไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมาถ้าทำไปแล้วตายไปก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภทั้งๆที่พอมีพอกินอยู่ได้โดยไม่ต้องทำบาปแต่อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตก็เลยไปทำบาปทำอาชีพที่ ทำบาไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการลักทรัพย์ก็ตามการโกหกหลอกลว ง, งก็ตามถ้าทาด้วยความโลภนี้ท่านบอกว่าตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานอย่าต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเราเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่ยอมรักษาสิง เพราะความโลภอยากได้เงินทองมากๆและง่ายๆก็มักจะต้องไปทำผิดศีลตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทาบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะอดอยากขาดแคนกลัวว่าคนนั้นคนนี้จะมาทาร้ายเรากลัวว่าคนนั้นคนนี้จะดีกว่าเราก็เลยไปทำบาปเพื่อที่จะทำให้เขาไม่สามารถมาทาร้ายเรา หรือมาดีกว่าเราได้ถ้าเราทำบาปเราทำบาปแบบนี้ทำบาปด้วยความกลัวเราก็ต้องไปเป็นอสูรกายหรือถ้าเรียกว่าผีแล้วถ้าเราทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเวลาใครพูดไม่ดีทำไม่ดีเวลาใครทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับเรา แล้วเราเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ต้องไปตกนรกนี่คือลักษณะของการทำบาปที่แตกต่างกันไปที่ไปของผู้ทำบาปจึงไปต่างที่กันทำบาปโดยไม่รู้ก็ไปเป็นเรณชาดทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทําบาปด้วยความความกลัวก็ไปเป็น อสุนละกายทำบาปด้วยความเครียดแค้นอาฆาต พ, พยาบาทก็จะไปตกนรกนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าตัวเรานี้ไม่ใช่ร่างกายตัวเรานี้เป็นดวงวิญญาณเวลาออกจากร่างกายไปแต่ขณะที่อยู่กับร่างกาย เราก็เรียกดวงมัญญาณนี่ว่าจิตใจจิตใจนี่แหละเป็นผู้ที่คิดผู้ที่รู้ผู้ที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็ส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งผู้ที่รู้ว่ากำลังฟังอะไรอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่สามารถรู้อะไรได้ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเห็นกระดูก น, นี้เขาไม่มีความสามารถที่จะรับรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรกันอยู่ผู้ที่สามารถรับรู้ได้ก็คือใจและผู้ที่คิดได้คิดตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็คือใจใจนี่แหละที่เป็นที่อยู่ของพวกเราที่เราใช้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ อยาวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาวัดใจเป็นผู้สั่งถ้าใจไม่คิดว่าวันนี้จะมาวัดร่างกายก็จะไม่ได้มาวัดแต่วันนี้ใจคิดว่าวันนี้จะมาวัดมาทำบุญพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาสู่วัดใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนเจ้านายกับลูกน้อง ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายนี้มีวันเสื่อมมีวันแก่มีวนันเจ็บมีวนัวนตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของแต่ใครก็ตามแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกก็เหมือนกับร่างกายของพวกเรา ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันแต่ใจของพวกเราใจของพ่พระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์นี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าร่างกายนี้ตายไปใจก็จะออกจากร่างนี้ไปแล้วก็จะไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ ถ้าได้ทําบุญแบบพระพุทธเจ้าก็จะไปแบบไม่กลับมาไปสู่พระนิพพานแต่ถ้าทําบุญแบบที่พวกเรากําลังทําอยู่กันตอนนี้เรายังต้องกลับมาอย่างมากเราก็ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้าเราทําบุญทําทานและรักษาศีลแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม แล้วถ้าเรามีปัญญามีความรู้ว่าการกลับมาเกิดนี้เกิดจากการมีความอยากแล้วถ้าเราตัดความอยากต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอรหันตสาวกนี่คือเรื่องใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเราจึงต้องมาทำบุญมาละบาปกันมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุก์กับความเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานยังมีความอยากอ ย, กอยู่ ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดในภพต่างๆต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี้เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้เพราะผู้ที่ได้พิสูจน์มาแล้วก็คือพระอรหันต์ตาวกทั้งหลายที่เป็นเหมือนพวกเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเรา มีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันแต่พอได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาความเชื่อว่าถ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะได้ไปสู่พระนิพพานจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป พอมีความเชื่อแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติทำบุญทำทางรักษาสลภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่นานก็ได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ไปได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะสามารถกำจับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรานําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินะอย่างไม่เชอทอไม่ย่อท้อไม่ยอมถอยปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรพยายามปฏิบัติไปจนกว่าจะไม่มีลมหายใจรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องได้ผลเช่นเดียวกันกันกบพระ อาหารตอสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนถ้าเรายังไม่ไปถึงพระนิพพานเราก็ไปสวรรค์ชั้นพรมก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ถึงสวรรค์ชั้นพรมก็ไปสวรรค์ชั้นเทพก่อนถ้าไปไม่ถึงสวรรค์ชั้นเทพก็ยังได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าไว้ได้อย่าทำบาป ท, ทำกรรม พยายามรักษาศีลห้าไว้ได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าถ้าเราทําบุญด้วยก็จะไปเป็นเทวดาก่อนถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมก่อนแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาได้ตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธา มีความเชื่อในคำสอนของพระพระเจ้าและพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอทำให้มากขึ้นไปตามลำดับตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นเพิ่มทีละล้อยละสิบก็ได้เช่นวันนี้ทำบุญร้อยบาทคราวหน้าทำบุญสักร้อยิบบาทวันนี้รักษาศีลได้สามข้อ พุ่นี้ก็รักษาให้ได้สี่ข้อการรักษาได้5ข้อแล้วต่อไปก็รักษาเพิ่มจาก1วันเป็นสองวันจากสองวันเป็นสมวันพยายามเพิ่มไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราก็จะทำได้เต็มร้อยเมื่อเราทำได้เต็มร้อยแล้วผลก็จะออกมาเต็มร้อยอย่างแน่นอนเพราะว่าผลเกิดจากเหตุ เหตุก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่เราจะได้รับก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆและพระนิพพานที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดตามลำดับต่อไปจึงขอให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วพยายามปฏิบัติไปรับรองได้ว่าเราจะได้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่าไปฟังคนที่เขาไม่เรื่องที่เขาพูดว่าตายแล้วศูนย์หรือว่าสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระนิพพานก็หมดแล้วไม่สามารถปฏิบัติไปถึงได้ต้องมีพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถไปได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะการไปพระนิพพานนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มี ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถึงแม้มีพ่พระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะไปไม่ถึงอยู่ดีเช่นคนที่อยู่ในสมัยพระพุทธการคนที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปพระนิพพานเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ามีพพระพุทธเจ้าหรือไม่ อยู่ที่ว่ามีคำสอนแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนหรือไม่ที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ไปผ่านนิพพานกันจึงขอให้เรามีความสบายใจได้ว่าเพราะตอนนี้มีคำสอนและมีการปฏิบัติถ้าเราเอาคำสอนมาปฏิบัติรับรองได้ว่าผลต่างๆที่ได้แสดงไว้นี้จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาซัเตรียมสร้างบ้านใหม่ที่เราจะต้องย้ายออกจากบ้านเก่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้ถ้าเราไม่เตรียมไว้เดี๋ยวเราจะต้องไปแบบลาหฮเล่ล่อนไปแบบขอทานในโลกวิในโลกทิพย์ขอให้เราไปแบบเทวดาไปแบบเศรษฐีดีกว่าด้วยการสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆไว้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 ด้วยอายุวันนัสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ <c oughs> <c oughs> <c oughs>